ส, สัมเรื่องนี้เกิดขึ้นช่วงปลายเดือนธันวาคม2560เนี่ยเองหลังจากที่ผมออกมาจากอาชีพการเป็นครูอัตตาจ้างซึ่งทำมาอยู่ประมาณหนึ่งปีสี่เดือนปกติผมจะชอบนั่งรถไฟมากเพราะจะได้ชมบรรยากาศวิวทิวทัศน์โดยรอบอย่างมีความสุข อีกทั้งสนามสอบต่างๆเช่นทหารตำรวจจะอยู่ที่กรุงเทพรถไฟจึงเป็นตัวเลือกที่ถูกและประหยัดค่าใช้ใจ่ายรถไฟขบวนที่ผมนั่งในครั้งนี้คือขบวนที่84ต้นทางจากตังปลายทางกรุงเทพผมเลือกนั่งรถไฟชั้นสองพัดลมเพราะรู้สึกว่ามันมอกับผมที่สุดแล้วก่อนรถไฟจะออก พอผมก็อวยพรให้ผมสอบราบรื่นแล้วก็ร่ำลา ก, กันกับคนอื่นๆที่มาส่งทั้งยังอวยพรให้การเดินทางของผมในครั้งนี้ราบรื่นและปลอดภัยซึ่งตัวผมเองไม่รู้เลยว่าต่อจากนี้ไปจะได้เจอกับประสบการณ์หลอนที่มันจะทำให้ผมจดจำไปตลอดชีวิตรถไฟชั้นสองพัดลมในขบวนนี้จะมีอยู่เพียงตู้เดียวและอยู่หลังตู้ที่ทากับข้าว ไรสังกระเพ า, านี่ไม่ต้องพูดถึงกลิ่นนี่มาเต็มแทบจะกลั้นหายใจเอาไว้ผมนั่งติดกับหน้าต่างชอบมากกับบรรยากาศสบายๆ ส, สองข้างทางแล้วกระบวนรถไฟก็มาหยุดที่สถานีทุ่มทางทุ่งสงนครศรีธรรมราชตู้ที่เรานั่งผู้โดยสารจะนั่งกันเต็มครบทุกที่ยกเว้นที่นั่งข้างผมที่เดียวที่ยังไม่มีผู้โดยสารมานั่งแต่ผม ก็ไม่ได้คิดอะไรจนป้าที่นั่งอีกฝั่งถามว่ายังไม่มีใครมานั่งอีกเหรอเวลาสามทุ่มทุกคนบนรถไฟก็เริ่มหลับกันแล้วแต่ตัวผมนั้นค่อนข้างหลับยากเพราะแสงไฟในขบวนครั้งนี้เลยเอาผ้ามาด้วยเพื่อเอามาคลุมหน้าก่อนคลุมก็ยกหน้าต่างขึ้นครึ่งหนึ่งเมื่ อ, อผ้าคลุมหน้าส่วนที่โผลออกมาก็จะมีแค่จมูกเท่านั้นผมหลับไป แต่ก็หลับไม่สนิทมารู้ตัวอีกทีก็ได้ยินเสียงว่าถึงสถานีสุราษฎร์ธานีแล้วหลังจากนั้นผมก็หลับไปในความฝันนั้นมันเหมือนจริงมากขณะที่ผมนั่งรถไฟไปตามปกตินั้นจูๆ่ๆรถไฟก็หลุดออกจากรางและมีคนคนหนึ่งซึ่งไม่แน่ใจว่าเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงมานั่งทับขาผมอยู่เขาคนนั้นหันหลังให้ จากนั้นรถไฟก็พุ่งไปชนก้อนหินหรืออะไรสักอย่างแล้วคนคนนั้นก็หลุดออกจากขาผมแต่แล้วเขาก็กลับมานั่งทับขาผมใหม่เหมือนกับว่าเขานั่งทับไม่ให้ผมกระเด็นหรือหลุดจากที่นั่งในขณะที่ผู้โดยสารคนอื่นนั้นตะโกนโวกเวกโวยวายบางคนก็กระเด็นนอ ก, นอกหน้าต่างส่วนข้างๆผมนั้นไม่มีใครอยู่แล้วเพราะเป็นเบาะว่าง ในเวลานั้นผมยอมรับเลยว่ากลัวมากแต่รถไฟก็ยังไม่ลม้มยังคงวิ่งต่อโดยที่ไม่มีรางสักพักผมก็หลุดจากฝันแล้วตื่นภาพที่เห็นตอนตื่นนั้นรถไฟหยุดอยู่ที่ไหนสักแห่งเมื่อหันไปมองฝั่งซ้ายก็เห็นว่าเป็นป่าและหันไปมองฝั่งขวามันก็ยังคงเป็นป่าอีกมันเป็นป่าทั้งสองด้านหัดไปประมาณสเมตร มันเป็นสุสานของคนจีนไม่รู้ว่าทำไมเขาถึงมาหยุดรถไฟที่ตรงจุดนี้สักพักรถไฟก็ออกผมก็นอนหลับอีกแล้วความฝันต่อจากนั้นก็กลับมารถไฟยังคงวิ่งหังทังที่ไม่มีรางมีคนนั่งทับขาผมและผู้คนโดยรอบก็โวยวายเหมือนเดิมแต่สิ่งที่เพิ่มเติมในรอบนี้คือมีผู้หญิงผมยาวประมาณไหล ลักษณะทั้งตัวเลอะเทอเต็มไปด้วยโครนเหมือนเพิ่งออกมาจากโครนเธอมานั่งตรงที่ว่างข้างผมแล้วเลือกตามาทางผมมันทำให้ผมกลัวมากยิ่งกว่าเดิมเพราะตอนนี้มีใครก็ไม่รู้มาประกบผมอยู่ทั้งด้านหน้าและด้านข้างผมต้องตกอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นจนคนขับรถไฟบอกว่าเจอรางแล้วรถไฟจึงขึ้นไปวิ่งบนราง แล้วจอดที่สถานีแห่งหนึ่งภาพที่ผมเห็นและจําได้ดีในตอนนั้นคือผู้หญิงที่นั่งข้างๆผมแสยะยิ้มให้แล้วมีเลือดไหลออกจากปากส่วนคนที่ทับขานั้นไม่หันหน้ามาแต่เขาก็เด้งทับผมอีกทีจนผมตื่นและได้ยินเสียงประกาศว่าที่นี่สถานีชุมพรผู้โดยสารที่นั่งข้างผมก็ขึ้นมาตามมาด้วยเสียงแหบแ ผมคนขายโรตีเนื่องจากใช้เสียงเยอะโรตีไหมคะโรตีโรตีสิบบาทจ้าหลังออกจากชุมพรผมก็หลับต่อแต่ไม่ฝันอีกเลยจนถึงกรุงเทพและนี่คือเรื่องราวของขาไปขากลับหลังจากผมสอบเสร็จและทำธุระต่างๆเสร็จหมดแล้วช่วงขากลับก็เหมือนเดิมผมขึ้นรถไฟขบวนเดิม แต่เปลี่ยนเลขขบวนเป็น83ได้ที่นั่งติดหน้าต่างเหมือนเดิมผมนั่งจากหัวลมโพงออกจากสถานีบางซื่อก็เกือบจะหนึ่งทุ่มแล้วเหตุการณ์ทุกอย่างก็เหมือนเดิมอากาศเย็นมากแม่ค้าก็ขายของเดินไปมาแต่ข้างๆผมรอบนี้มีคนมานั่งด้วยเป็นผู้หญิงพอสองทุ่มกว่าทุกคนในขบวนเริ่มเงียบผมก็เหมือนเดิมเอาผ้ามาคลุมหัวเพื่อที่จะนอนหลับ แล้วความฝันอันน่าสยดสยองของผมมันก็กลับมาอีกผมเห็นผู้หญิงคนหนึ่งหน้าตาอาบไปด้วยเลือดเธ อ, เอมือมาบิดหัวผมให้หันไปยังที่นั่งข้างหลังแล้วผู้หญิงหน้าเละๆที่นั่งอยู่ด้านหลังก็ค่อยๆยืนหน้ามาเพื่อที่จะจูบผมผมกลัวมากพยายามดิ้นเพื่อให้หลุดออกจากตรงนั้นจนผมสะดุ้งตื่นขึ้นมาได้ครั้งนี้มันน่ากลัวมากไม่ไหวแล้ว มันคืออะไรวะเนี่ยไม่ชอบเลยตั้งแต่วิดาทีนั้นผมก็ไม่กล้าหลับอีกแต่สุดท้ายก็เผลอหลับไปซึ่งในตอนนั้นมันมีความรู้สึกว่าเหมือนกับกาลังกึ่งหลับกึง่งตื่นขณะที่ผมคลุมหน้าอยู่นั้นก็รู้สึกเหมือนมีมือเย็นๆพยายามจะเปิดผ้าที่คลุมหน้าอยู่ผมพยายามขยับตัวแต่ก็ขยับไม่ได้รู้สึกว่ากาลังถูกผีอำอยู่ ผมพยายามจะพูดว่ากลัวแล้วยอมแล้วแต่พูดไม่ออกและดินยังไงก็ไม่ยอมหลุดในหัวตอนนั้นนึกถึงเพียงปู่ย่าตายายให้ช่วยผมด้วยในที่สุดผมก็หลุดจากผวังผูห้หญิงที่นั่งข้างผมก็หันมามองหน้าส่วนป้าที่นั่งด้านหลังของผมก็ถามว่าเป็นอะไรผมเงียบไม่กล้าตอบตอนนี้ผมอยากกลับถึงบ้านเอามา ก, มาก ก็ไม่รู้ว่ารถไฟอยู่ส่วนไหนของภาคใต้แล้วขณะที่ผมกำลังจะเปิดแผนที่ในโทรศัพท์ดูรถไฟก็หยุดและมีเสียงตามสายพูดว่าที่นี่สถานีชุมพรผมคิดว่าผมจะไม่นอนต่อแล้วผมจะยอมอดทนกลับไปนอนที่บ้านก็ได้เมื่อกลับถึงบ้านผมก็ไปหาคนเฒ่าคนแก่แล้วก็เล่าให้ฟังถึงเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นกับผมว่า มันเป็นเพราะอะไรกันแน่ตาท่านก็เล่าให้ฟังว่าเส้นทางระหว่างสุราษฎร์ธานีไปจนถึงชุมพรมันคนข้างน่ากลัวจะมีผีอยู่ชุกชุมมากเพราะมีคนตกไปตายบ้างโดนฆ่าแล้วเอาศพไปโยนหมกตรงปาข้างทางบ้างมากมายสารพัดแล้วตาก็ถามว่าทําไมจู่ๆถึงเจอปกติไปกลับรถไฟไม่เห็นจะเจออะไรทาไมรอบนี้ถึงเจอ ผมก็คิดว่างั้นบางทีเขาอาจจะมาขอส่วนบุญส่วนกุศลก็ได้เพราะผมเป็นคนชอบทำบุญรวดน้ำเป็นประจำสุดท้ายนี้คนที่ชอบเดินทางไกลก่อนออกจากบ้านก็ตั้งสติให้ดีเพราะไม่แน่ว่าสักวันหนึ่งตัวคุณเองอาจจะเจอแบบผมและวิธีแก้ที่ดีที่สุดของผมก็คือการนึกถึงหน้าพ่อแม่ไว้หรือไม่ก็ห้อยพระ โดยเฉพาะหลวงปู่ทวดเยียบน้าทะเลจืดที่ผมนับถือเป็นอย่างมากส่วนใครที่ไม่เชื่อก็ให้คิดว่าฟังเพื่อความบันเทึงกันแล้วกันเพราะผมเองเมื่อก่อนก็ไม่เชื่อจนมาได้เจอเข้ากับตัวเองปัจจุบันนี้ผมเชื่อว่าในโลกนี้มีผีอยู่จริง สหภัทสิย์